เมื่อบวชเป็นพระพระพี่ชายของข้าพเจ้าชื่อสุเมธได้ลาสิกขาไปแล้วตั้งแต่ได้ปรเรียนธรรมหประมาณปีพุทธศักราช2495เมื่อข้าพเจ้าได้ปรเรียนธรรมเจ็ดนั้นประมาณพุทธศักราช2497อายุยังไม่เต็ม20แต่ท่านอาจารย์จะให้อุปสมบทก่อนเข้าพรรษานั้นอายุยังขาดอยู่4เดือน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 และเลื่อนสมณศักดิ์ขึ้นไปจนถึงพระราชาคณะชั้นธรรมที่พระธรรมรัตนดีโลกมรณนะภาพแล้วเมื่ออายุเจสประมาณพุทธศักราช2543ท่านอายุมากกว่าข้าพเจ้าเจดปีท่านมหาสิริฐานะยุตโตเมื่อเป็นป ร, ริยนเจ็ดอยู่ได้รับคำสั่งจากเจ้าคณะภาคคือพระธรรมโกสาจารย์วัดราชาที่วาด ให้ไปเป็นผู้ช่วยเจ้า ว, วาดวัดสเสนหะจังหวัดนคนปรปฐมต่อมาได้รับสมณศักดิ์เป็นพระธรรมภานกวีแล้วเลื่อนเป็นพระราชธรรมกวีแล้วเลื่อนเป็นพระเทพกิติเมธีมรณภาพประมาณสิบห้าปีมาแล้วข้าพเจ้าตั้งใจจะไปเข้าเรียนมหาวิทยาลัยสงฆ์คือสภาการศึกษามหามกุฏ ร, ราชวิทยาลัย จึงได้ไปรกราบเรียนท่านอาจารย์เพื่อขอลาไปเรียนแต่ท่านห้ามไว้บอกว่าเรียนให้จบป ร, ริญญาเ้าเสียก่อนแล้วค่อยไปเรียนก็ยังไม่สายเพราะอีกสองปีเท่านั้นเองข้าพระเจ้าจึงนโ่รมตามท่านท่านอุษาหานัหนังสือป ร, ริญญาแมาให้คือคำพีวิสุทธิมรักษ์สามภาพบอกว่าเป็นการอนุเคราะห์ของมูลนิธิมหมามกุลราชวิทยาลัย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 มีภาษาไทยบ้างเป็นบางตอนจึงแปลคัดลอกต่อต่อกันมาต่อมาภายหลังจึงมีวิสุทธิมักแปลฉบับของสำนักพิมพ์สอธรรมพักดีต่อมาภายหลังอีกหลายปีจึงมีวิสุทธิมักฉบับภาษาไทยของมูรณนิธมิมหามกุฏแปลโดยนาวาอากาศเอกเมฆอัมพายจริตป ร, ริยธรรมก้าแห่งสำนักวัดเทพเสด็จทราว่า ผู้เรียนป ร, ริยญธรรมแปดในรุ่นหลังๆจึงได้อาศัยข้าพเจ้าเรียนป ร, ริญญาธรรมแปดด้วยจิตใจเพียงครึ่งเดียวอีกครึ่งหนึ่งไปอยู่ที่สภาการศึกษามหามกุตเสียแล้วจึงเรียนไม่เต็มที่แต่พยายามอ่านจนหมดถึงเวลาสอบท่านอาจารย์เอาใจช่วยเต็มที่ถึงกับเดินไปส่งข้าพเจ้าขึ้นรถสามล้อที่บ้านคุณนาสําอางชูเกตซึ่งข้าพเจ้าจะได้พูดถึงในวิกาลต่อไป ซึ่งในปีก่อนๆท่านอาจารย์ไม่เคยทำปีนั้นข้าพเจ้าสอบตกไม่ได้เสียใจอะไรเพราะรู้ตัวอยู่แล้วว่าเรียนด้วยใจเพียงครึ่งเดียวได้เข้าไปขออนุญาตท่านอาจารย์เพื่อเรียนที่มหาวิทยาลัยสงฆ์อีกคราวนี้ท่านอนุญาตแต่รู้สึกท่านไม่ค่อยพอใจนิดๆแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะตอนหลังเมื่อข้าพเจ้าเรียนจบแล้ว และได้ใช้ความรู้ที่เรียนมาจากมหาวิทยาลัยสมมาประกอบการอธิบายธรรมมออกมาเป็นหนังสือมากมายประจักษ์แก่ท่านท่านรู้สึกปีติและภาพภูมิใจจนพูดออกมาว่าได้ตัดสินใจถูกแล้วที่ไปเรียนที่มหาวิทยาลัยสมเพราะได้ใช้ความรู้วิชาสมัยใหม่มาประกอบความรู้ทางธรรมเป็นประโยชน์มากบางคราวในการฉลองสมณศักดิ์ของท่าน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 จะไม่รู้ตำราที่เป็นปภาัาปิดเลยหลังจากได้สอบตกปรเรียนแแล้วและได้เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงแล้วข้าพเจ้าไม่คิดจะสอบบาลีอีกเลยแต่ได้นำหนังสือหลักสูตรปรเรียน9้ามาอ่านดูหมดทั้งเล่มแล้วเป็นคำพีอธิบายอภิธรรมชื่ออภิธรรมมัทวิภาวณีเป็นหนังสือชั้นดีกา การศึกษาในระยะนี้มุ่งไปทางพระไตรปิฎกข้าพเจ้าเริ่มอ่านพระไตรปิฎกตั้งแต่เรียนอยู่ปรเรียนธรรมสีเพราะหนังสือหลักสูตรคือมังคลาถาทีปณีได้อ้างพระไตรปิฎกไว้มากยกข้อความมาบางส่วนและบอกว่าถ้าอยากได้ความพิสดารหรือข้อความละเอียดให้ดูในเรื่องนั้นเรื่องนี้เช่นเรื่องพระเจ้าอาชาติศัตรู ให้ดูรายละเอียดในสามัญยผลสูตรทีคณิกายเป็นต้นข้าพเจ้าก็ตามไปดูแต่ตอนนั้นยังไม่มีพระใจปิดกเป็นส่วนตัวได้ไปขอยืมจากอาคารโรงเรียนของวัดมาอ่านดูทีละเล่มสองเล่มแต่นังสือยังติดกันเป็นปึกคือยังไม่ได้ตัดข้าพเจ้าจึงต้องนำมาตัดเองทั้งเล่มจึงอ่านได้แสดงว่านังสือยังไม่มีใครใช้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 ทำให้ลำบากในการปฏิบัติหน้าที่แทบทุกปีที่มีการสอบบาลีข้าพเจ้าต้องป่วยก่อนเสมอหรือมิฉะนั้นก็ตอนสอบเสร็จแล้วเพราได้ทุ่มเทเรียนหนังสืออย่างหนักนอนตีหนึ่งตีสองแทบทุกคืนจนอาจารย์ต้องเปิดประตูออกมาเตือนบ่อยๆว่าให้นอนพักผ่อนซสบ้างแต่ข้าพเจ้ายิ่งอยู่ดึกสมองยิ่งแจ่มใสจึงหยุดไม่ค่อยได้อีกอย่างหนึ่ง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 แล้วจึงจะกลับมาฉันเช้ารวมกันที่ศาลาโรงฉันของท่านอาจารย์นี่พูดถึงสมัยที่เป็นสัมมาเนร์จำได้ว่าเมื่อพระพี่ชายสิกแล้วได้ย้ายไปอยู่กุฏิที่พระพี่ชายเคยอยู่ซึ่งอยู่เดียวโดดใกล้โบสถ์มีกำแพงกัน้นและใกล้กับกุฏิท่านเจ้าคุณพระเทพกิติเมธีสมัยเมื่อท่านยังเป็นพระมหาสิริ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 แต่ตอนเช้าก็หย่าสงวนเวลาไว้อ่านหนังสือโดยเฉพาะพระไตรปิฎกและหนังสืออื่นๆที่เป็นความรู้เพราะพอหลังเที่ยงก็ต้องเดินทางไปเรียนหนังสือที่สภาการศึกษาจิตใจมุ่งมั่นอยู่ว่าจะหาความรู้ใส่ตัวไว้ให้มากที่สุดเพื่อจะได้ทำงานเผยแพร่พระธรรมในโอกาสหน้าซึ่งจะต้องใช้ความรู้ที่ถูกต้องและแม่นยาท่านอุปชาของข้าพเจ้า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 ฝันไปว่ามีบุรุษสองคนลักษณะเหมือนยมทูตมาพาข้าพเจ้าไปให้ข้าพเจ้านั่งเรือตรงกลางลำเขาสองคนพายหัวพายท้ายพาข้าพเจ้าไปหน้าที่แห่งหนึ่งข้าพเจ้าพบท่านผู้หนึ่งเหมือนโยมมาบานในฝันว่าข้าพเจ้าเป็นพระพอเห็นข้าพเจ้าท่านผู้นั้นก็ดุบุรุษสองคนที่พาข้าพเจ้าไปว่าพาท่านมาทาไม ให้ท่านอยู่ประกาศศาสนาสั่งสอนประชาชนบุรุษสองคนนั้นจึงรีบพาข้าพเจ้ากลับโดยทางเรืออย่างเดิมข้าพระเจ้าตื่นขึ้นจึงรู้ว่าฝันไปและคิดว่าเป็นนิวิตหมายที่ดีกิจนิมนต์ต่างๆเช่นสวดมนต์ฉันเพลนนอกวัดไม่ค่อยได้ไปเพราะเสียดายเวลาและเหตุที่ไม่ค่อยสบายส่วนกิจนิมน์ในวัดนั้นถ้ามีผู้มานิมนต์ก็จะถามว่า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 คุณนาสัมอ่างนั้นให้ลูกบนธรรมชื่อจิตยาประดิษฐ์อายุเท่ากับข้าพเจ้ามาส่งอาหารทั้งเช้าและเพลนตอนเย็นก็จะมีน้ำปานะมาถวายตามฤดูกาลของผลไม้บางวันคุณนาสัมอ่างก็มาเองและถือโอกาสสนทนาธรรมด้วยคุณนาสัมอ่างมีเพื่อนสนิทอยู่คนหนึ่งชื่อคุณนาทิพวรรณมาฟังธรรมที่วัดด้วยกันเสมอเสมอ โดยเฉพาะในวันพระคุณแม่เติมนั้นส่วนมากจะมาตอนเพลนมีอาหารมาเพียงพอสำหรับพวกเราที่อยู่ที่นั้นประมาณสามสี่รูปและเด็กๆด้วยข้าพเจ้ารู้จักคุณนาสำอางเมื่อประมาณอายุ18ปยังเป็นสามเนียนอยู่เสียงเล่าลือที่ว่าข้าพเจ้าเป็นสามัเดีนที่เรียนเก่งทำให้คุณนาสนใจจึงได้นิมนต์ให้รับบิณฑบาต ท, ที่บ้านเป็นประจา ข้าพเจ้าก็ได้ไปเยี่ยมเยียนคุณนาเสมอเมื่อว่างคุณนาะย้ายครอบครัวมาจากนครปฐรมด้วยความจําเป็นบางประการลูกคุณนาะสามคนชายหนึ่งหญิงสองล้วนแต่เรียนหนังสือดีๆจบจากยุราลงกรณมหาวิทยาลัยทั้งสามคนเมื่อลูกเรียนจบแล้วได้ทํางานแล้วคุณนะ้าค่อยสบายขึ้นคุณแม่เติมนะั้นเป็นพยาบาลพะดุงคัน เพื่อนกับคุณแม่ริ้วสืบสิริคุณแม่เติมแต่งงานกับหมอมหลวงปานกล้วยไม้มาเป็นโยมอุปถาญิกาคือเป็นเจ้าภาพเมื่อข้าพเจ้าบวชพระโดยคำแนะนำของท่านเจ้าคุณพระเทพกิติเมธีสิริฐานายุโตเมื่อได้เป็นเจ้าภาพบวชข้าพเจ้าแล้วชอบใจที่ข้าพเจ้าเป็นคนเฉยเฉยนิ่งนิ่งคุณแม่เรียกข้าพเจ้าว่าเป็นพระไม่ยิม้มพูดเสียงเบา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 จึงขอจารึกพระคุณไว้ณที่นี้ด้วยคุณแม่เติมีลูกชายสองคนคนหนึ่งคือคุณทองต่อกล้วยไม้ณายุธยาซึ่งเป็นนักวิชาการที่สังคมส่วนมากรู้จักและยังติดต่อกับข้าพเจ้าอยู่จนกระทั่งบัดนี้คือพุทธศักราช 2,549 เมื่อข้าพเจ้าเป็นผู้ใหญ่มีลูกศิษย์มากแล้วทั้งพระและคาราวะ เขามักจะพูดกันว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีเมตตาและให้อภัยแก่ผู้น้อยทั้งนี้ข้าพเจ้าคิดและระลึกอยู่เสมอว่าเมื่อข้าพเจ้ามีข้บอบกพร่องมากมายสมัยยังหนุ่มนั้นได้อาศัยเมตตาและการให้อภัยของท่านอุปราชอ า, ารย์จึงได้นำพาชีวิตให้ตลอดรอดฝั่งมาได้จนเป็นอยู่ได้เท่าที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบัน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 เพื่อไม่ซ้ำเติมตัวเองมากเกินไปเมื่อบวชเป็นพระแล้วความเป็นอยู่ค่อยดีขึ้นจากการอุปถัมภ์ดูแลของคุณแม่เติมกล้วยไม้นายุธยาและคุณนาสําอางชูเกศและญาติโยมคนอื่นๆที่เขามาเกี่ยวข้องเพื่อนๆ น, นผู้ไปมาหาสู่มักจะทักว่ามีน้ำมีนวลดีขึ้นกว่าสมัยเป็นสมนเนรเมื่อเป็นสมมเนร น, น้นผอมมาก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 แต่ท่านอายุมากแล้วจึงไม่เป็นการแปลกช่วงระยะอายุยี่สิบกว่ากว่านี้มีเด็กลูกศิษย์มาอยู่ด้วยสาสี่คนคือนิวิทย์หานนล์มารีโนเรียนพ่อช่างเมื่อจบแล้วกลับไปจังหวัดสงขลาเป็นอาจารย์สอนศิลปะอยู่ที่โรงเรียนวรนารีเฉลิงจนเกษียณอายุปัจจุบันอายุห7สิบเจ็ดอันที่จริง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 ทราบว่าเสียชีวิตตั้งแต่ยังหนุ่มพดุงชดารัฐเมื่อเรียนมัธยมปลายที่โรงเรียนอํานวยศิลป์ต่อมาเข้าแพทย์สิริราชได้จบแพทย์สิริราชแล้วไปอยู่อเมริกานา น, านปีตอนนี้กลับมาอยู่เมืองไทยแล้วสร้างบ้านอยู่ที่เกาะยอสงขลาวิจิตชดารัฐน้องชายของพดุงมาเข้าเรียนโรงเรียนอํานวยศิลเหมือนกัน หลังจากพะดุงปีหรือสองปีจำไม่แม่นถ้าจำไม่ผิดเรียนจบกฎหมายที่ธรรมศาสตร์แล้วไปอยู่อเมริกาจนบัดนี้ลูกศิษย์รุ่นนั้นมาถึงบัดนี้อายุหกสิบกว่ากันแล้วทั้งนั้นคุณเกรียงศักด์แสงเจริญและคุณสวรรณปุนอภิรัตสนิทสนมกับข้าพเจ้าตั้งแต่เป็นสัมเนนด้วยกันและเป็นพระด้วยกันรุ่นราวคราวเดียวกันเกิดปีเดียวกัน คุณสุวรรณเรียนจบมหาวิทยาลัยสมฆมหามกุลแล้วศึกไปทํางานกรมประชาสงเคราะห์จนได้เป็นประชาสงเคราะห์จังหวัดคุณเกรียงศักนั้นเรียนมหาวิทยาลัยสมฆมหามกุลได้เพียงเตรียมปีที่สองแล้วสอบมแปดได้ไปเข้าเรียนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะนิติศาสตร์จบแล้วเป็นอัยการจนกรเกษียณอายุทั้งสองคนนี้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 การเรียนบาลีในยุคนั้นสนุกสนานคลื่นเครงเพราะมีผู้เรียนมากทั้งพระและสมัมมะเนนจนสำนักเรียนบุพผารามีชื่อเสียงกระชอนไปไกลจึงมีพระภิกษุสมัมมะเนนมาอยู่กันมากขึ้น